ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาอิศิปทุมกาลังนําเสนอคาถาของพระสารีบุตรก่อนๆได้พูดในประเด็นที่พระเถระกล่าวว่าถ้าทั้งหลายจงคุ้มครองตน เหมือนอย่างคนคุ้มครองเมืองปลายแดนทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นขณะเวลาจะได้ล่วงเลยท่านตั้งหลายไปเสียประภูที่ล่วงเลยขณะเวลาไปย่อมตองแออัดยัดเยียดเศร้าโศกการอยู่ในนรกก็มีอยู่สามประเด็นหลัก บรรดแรกก็คือการคุ้มครองตนเองหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญผู้เจ้าสูงแสดงไว้ว่าคนเราถ้าคุ้มครองตนเองได้ดีแล้วอยังอื่นก็ชื่อว่าเป็นการคุ้มครองไม่ได้ ธรรมะปฏิบัติในแง่ของการกำหนดรู้ทุกขการละกิเลสการทำให้แจ้งซึ่งผลสูงสุดในทางศาสนาและการบำเพ็ญไปตามหลักอริยมรพยองแปดประการ ใครก็ตามหาทมได้ก็ชื่อว่าเป็ น, น, ปนการคุ้มครองตัวเองได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะทุกข้อนี่มันมีอริยมรรคอยู่เช่นการกำหนดรู้ทุกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เป็นต้นประโยคนี้เป็นอาการของการใช้ปัญญาปิพิจารณา ความแก่ก็เป็นทุกข์สัตว์แต่การใช้ปัญญาพิจารณานั้นก็เป็นมรรคสัตริย์เวลาประสบกับการพลัดพรากสูญเสียจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งอันเป็นทิรักก็าตามก็จะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อถือเรื่องถือว่าเรื่องเป็นปกติธรรมดา เรือการละกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงรเราเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดมาจากสรรพกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่งแหละไม่มีความทุกข์ที่ไม่สืบเนื่องมาจากกิเลส เพียงแต่ว่าสืบเนื่องระยะใ ก, กล้หรือในยในระยะไ ก, กลแต่นั่นเองแต่ล้วนก็สืบเนื่องมาจากกิเลสปนตากลสามารถละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เป็นการคุ้มครองตนรักษาตนเอาไว้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส แล้วก็สามารถสัมผัสความสุขได้เป็นชั้นชั้นขึ้นไปจนถึงความสุขที่สมบูรณ์ในที่นี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของการคุ้มครองตนระดับสำรวมระวังเป็นการป้องกันด้วยเป็นการขาจัดด้วย เป็นการบำรุงด้วยแล้วก็เป็นการรักษาด้วยอยู่ในตัวแต่การได้เราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในสังคมโลกเราก็คือการผิดศีลการละเมิดศีลและถ้าหากว่าบุคคลสำรวมระวังในบทบัญญัติของศีลได้ก็ไม่ต้องอามากก็ได้เอาขนาดศีลห้านี่แหละ สวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิภาพในทรัพย์สินสวัสดิภาพในคู่ครองสวัสดิภาพในการรับฟังข้อมูลข่าวสารก็จะบังเกิดขึ้นเราก็แสดงให้เห็นว่าสังคมก็อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขสูงขึ้นพรสีลจึงนำสุขมาให้ นำพวกรสมบัติมาให้นำการดับกิเลสดับทุกข์มาให้แม้แต่การกิดับกิเลสระดับศีลซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ดับหมดอะไรหรอกยิ่งแต่ว่าลดความเข้มข้นรุนแรงของศีลลงไปก็นําความสุขมาให้แก่บุคคลเหล่านั้นก็อย่างท้ายของศีลที่บอกว่า สีเลนสุกติยันติสีเลนโะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตทสมาสีลังวิโสทะเยะแปลว่าบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็พระศีนสมบูรณ์โดยโภกกสมบัติได้ก็พระศีนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็พระศีนประเนนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลให้หมดจด นี้ก็เป็นหลักจึงก็หมายความว่าถ้าเราคุ้มครองตัวเองระดับศีได้มันก็เป็นเหตุแห่งความเจริญที่เราเห็นได้ชัดคือสี่เรื่องสามเรื่องคือเจริญด้วยสุขเจริญด้วยพวกสมบัติแล้วก็เจริญด้วยการลดความเข้มข้นของกิเลสลงไป ทีนี้ถ้ า, าว่าเราปฏิบัติธรรมะที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอย่างในก็นีของสีหน้าเนี่ยถ้าจิตมันประ น, นีเดินไปเรื่อยจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นเบญจะทำคือธรรมะห้าประการก็จะทำให้บุคคลมีเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย พูดง่ายๆว่าเป็นมิตรต่อสรรพชีวิตทั้งหลายแน่นอนการที่เรารู้สึกเป็นมิตรต่อสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ระมัดระวังเพราะการรู้สึกเป็นมิตรนั้นเป็นเรื่องของเราแต่เขาเองคิดยังไงนี่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งมีพระครูนาดูทุกหมานก เอาคืจริงก็ยังมีคนคิดประทุสรายอยู่เพียงแต่เราไม่คิดประทุตรายต่อคนอื่นเท่านั้นคือเมตตานั้นเราจะเห็นว่าปรารถนาที่จะเห็นการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มไมมเบียดเบียนกันไม่ประทุสรายกันในชีวิตแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่คนอื่นก็มีทที่อย่างไรนี่เราก็ไม่รู้ ผนการระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนก็คงมีอยู่เราไม่คิดร้ายต่อเขาแน่นอนแต่ว่าเขาละ่ะก็คิดอย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันในด้านทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือการประกอบสมาชีพของเราเนี่ย เราก็มีการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมการแสวงหาการได้มาการครอบครองการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของการเก็บออมการแจกแบง่งการบริโภคใช้สอยมันจะต้องกำกับด้วยสติสัมปชัญญะ ก็มีความระมัดระวังว่าปัญหาจะเกิดจากเราเองก็ได้ปัญหาจะเกิดจากคนอื่นก็ได้หรือเกิดจากคนสองข่ายก็ได้แต่ถ้าเรามีการระมัดระวังใช้สติสัมผัสัญญากำกับควบคุมอยู่สม่งเสมออุปสรรมเสีสยงมันก็จะลดลง ประการต่อไปก็คือสำรวมระวังในเรื่องเพศอย่างน้อยเนี่ยสามีมีสถาระสันโดษคือยินดีในครอบครัวของตัวเองในปัญญาของตัวเองปัญญาก็มีปฏิวัติคือซื่อสัตย์พักดีต่อสามีของตัวเอง ไม่ยุ่งเกียวกับหญิงอื่นชายอื่นซึ่งไม่ใช่คู่ครองของตนเวลาต้องการสื่อสารติดต่อก็พูดคำสัตว์คำจริงพูดคำที่ส่งเสริมสมัคคีประสานสมัคคีกระชับสมัคคีแต่คำที่ไปร้อนหวานมีสาระประโยชน์ แต่เราทำได้อย่างนี้มันก็เป็นการคุ้มครองตัวเองจากความชั่วที่เราจะกระทําต่อคนอื่นแต่ว่าไอ้คนอื่นจะกระทาต่อเรานะหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะการระมัดระวังหรือระแวงบ้างนิดหน่อย เอาไว้บ้างก็คงจะดีแต่ถ้าหากว่าถือว่าเราไม่ประทุษร้ายเขาแล้วเขาก็ต้องไม่ประทุษร้ายเราเราคงไปบังคับเขาไม่ได้เราลองนึกดูว่าพระอระหันต์ยังประทุษรา้ายเยยังถูกประทุษ ร, ร้ายรมุกรลานะก็ถูกประทุษ ร, ร้ายพระ บ, บุญวนาก็ถูกประทุษร้าย ทเจ้าเองก็ยังถูกประทุสรายก็มีพระอาจาตั้งหลายท่านที่ถูกประทุสรายท่านทานที่ท่านแม้แต่ความคิดจะประทุสรายต่อคนอื่นก็ไม่มีมีแต่ความเมตตาครูนะมันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมานั้นจะต้องทำอย่างมีเหตุผลและสติปัญญา ที่ยุติด้วยเหตุผลและความดีงามความถูกต้องไม่ใช่ว่าวางใจคนอื่นไปตลอดคือการเดชะธรรมะมันเป็นเรื่องการวางใจตัวเองทีนี้ถ้าคนเราปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปก็กลุ่มกันได้มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกัน มีเมตตาต่อกันแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็พิสูจน์ด้วยการแสดงความมีน้าใจ อ, อปุปบมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอันนี้มันก็ไปหลักประกันจากคนอื่นได้ว่าภัยอันตรายจะไม่เกิดจากไหนนั้นไหนนั้นไหนนั้นแต่คงเอาทุกคนไม่ได้กันนะอันนี้ก็คือหลักของกรรมจริง หือคนเราก็เป็นไปตามกรรมของเขาในขณะที่เราดีกับเขานี่เราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงกับเราเรายิ้มกับเขาแม้เขายิ้มมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเราเห็นเฉพาะที่เขายิ้มแต่เราก็ไม่รู้ความคิดของเขาว่าเขาคิดยังไงในขณะที่เขายิ้มนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ จะต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาประการต่อไปนั้นเป็นการสำรวมที่จริงก็สำรวมที่ใจนะคแต่ตันเรียกว่าสติสังวรบ้างอินเสียสังวรบ้างเวลาเรากระทบกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาอวะจมูกลิ้นกาย แล้วใจก็ทำหน้าที่รับแล้วก็จำมีข้อมูลที่จำไว้มากพอก็ได้ความคิดคิดได้มากก็เกิดความรู้ในระดับต่างๆแม้ในเรื่องเดียวกันมีความประนีขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสำรวมจริงๆก็คือ อยายเกิดกิเลสอ่เกิดธรรมะนะ่าเกิดไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเพราะตามปกติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาจ์ทั้งหลายท่านมองสัรพสัตวด้วยกรุณาเห็นปั๊บก็เกิดกรุณาได้เพราะว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์แตลมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตของสัรพสัตวแต่ละชีวิต เราอาจจะเกิดได้บ้างเกิดไม่ได้บ้างแต่ว่าเกิดกุศลก็แล้วกันอันนี้ท่านไม่ให้สอนนะสำรวมระวังนะครหมายความถ้าเกิดกุศลก็รักษาไว้แหละแต่สำรวมระวังในกรณีที่จะเกิดความกาหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวมมา เพราะมันเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสให้มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อจิตกำหนดด้วยความกำหนัดราคะก็เกิดจิตกำหนดด้วยความอยากได้โลภะตัณหาก็เกิดจิตกำหนดด้วยโทสะกิเลสประเภทโทสะความโกรธความพยาบาทก็เกิด เมื่อกำหนดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเหตุผลในเรื่องเหล่านั้นความหลงก็เกิดหรือว่ากําหนดอย่างขาดสติความประมาทก็เกิดแต่เดียร์ไม่เป็นอันตรายต่อเราเท่านั้นเลยความกําหนัด ก, ก็เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราความขัดเคืองก็เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราความโลภ ก, ก็เป็นอันตรายต่อจิตใจของเรา ความหลงก็เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราความประมาทก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเราแล้วก็หมายถึงกายด้วยนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่งเราเนื่งเป็นการสำรวมระวังระดับที่เรียกว่ากันติสังวรคือสำรวมระวังโดยกันติ ความดกลัน้นความอดทนความทนทานตลอดตึงความทนอดต่อรนต่างๆที่เข้ามากระทบแตมปกติพึงสังเกตว่าเรื่องที่เราอดทนโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมีรประมาณสี่เรื่องแต่นั่นเองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความวิปริตแปรปรวนซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เราอยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นธรรมชาติมีความรุนแรงขนาดสึนามิหรือยิ่งกว่าสึนามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำหลากน้ำท่วมเกิดพายุใต้ฝุน่นเกิดพายุทอร์นาโดเกิดพายุเฮอริเคนอะไรก็ไม่รู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกพอดีเราอยู่ตรงนั้นพอดี มันไม่มีอะไรอื่น น, ะนอกจากอดทนนองเพราะชีวิตเราจะหวังให้เป็นสุขอยู่ตลอดนี่ไม่ได้ชีวิตมันก็เป็นเขมันอย่างนั้นเองนี่ก็คือธรรมชาติของชีวิตเราเจอเข้าวก็ต้องอดการอดทนนองประการต่อไปทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเสียดแทงทั้งกายและทั้งทั้งกายนะฮะส่วนใหญ่ก็ทั้งกาย ปกโรคไัยค่าเจ็บเบียดเบียนต่างๆนี่ที่เสียดแทงอยู่ตลอดร่างกายเรามันเป็นโรค น, นิสทางคือรังของโรคว่าพังกุดังคือจะต้องเปื่อยเน่าไปเป็นธรรมดาเมื่อถึงคราวมันจะเกิดมันก็เกิดแหละเราก็ไปห้ามปราบอะไรมันไม่ได้เรืองนี้ก็ต้องหมดกรารหุดตัวอรา อีกประการหนึ่งก็คือความเหนื่อยยากในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆการทำงานของคนเรานั้นไม่ว่าจะทำทางงานเรื่องอะไรก็ตามในจุดใดก็ตามเป็นงานฝีมือก็ตามงานที่ใช้ความคิดสติปัญญาก็ตามใช้ความรู้ความสามารถก็ตามเนี่ยมันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้น คือไม่มีงานอะไรที่ไม่เหนื่อยการสอนหนังสือก็เหนื่อยการเรียนหนังสือก็เหนื่อยการสรวจข้อสอบก็เหนื่อยการออกข้อสอบก็เหนื่อยการตอบข้อสอบก็เหนื่อยหมายความว่าก็เหนื่อยด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าชีวิตต้องเราต้องผ่านเขาเรียกว่าต้องเอาทุกข์มาลงทุนแล้วไปคอยเก็บเกี่ยวความสุขก่อนในตอนปลาย ถ้าเราไม่ยอมเอาทุกมาลงทุนเราก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะเก็บเกี่ยวได้ในตอนปลายผวนก็ทนก็ทนก็ทนเนี่ยกิทนไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ค่อนข้างแรงในปัจจุบันนั่นก็คือสื่อต่างๆ ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกรุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายมุ่งแต่ตัวเองจะได้จะมีจะเป็นโดยการเมาเมาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันส่วนใหญ่ก็เป็นการยุให้อยากหรื อ, อยุให้อยากเมาเมให้เกิดอยาก พอตะยากขึ้นมาวันใดเราก็ตกเป็นเหยื่อเข้าวันนั้นพราะสิ่งที่เขาเอามาโฆษณาที่จริงเรียกรวมรวมมาอามิตรแปลว่าเหยื่อมันเหมือนกับพรานเบ็ดที่ตกเบ็ดเอาเหยื่อมาล่อปลาปลาเข้าใจว่าเหยื่อเป็นอาหารก็ปุ๊บเข้าไปก็ติดเบ็ดในพรานเบ็ด ก็สละชีวิตเพื่ออาหารเพียงคำเดียวเนะี่ยเพราะฉะ น, นชีวิตของคนเราเป็นอันมากที่เสียเนี่ยไม่คุ้มก็ไดเลยเสียเยอะเหลือเกินแต่ว่าอย่างปลากินเหยื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าเหยื่อก็ไม่ได้กินนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตทั้งชีวิต ผลอารมณ์โลกนี้คือเหยื่อที่สำนวนศาสนาเรียกว่าอามิตรคือเหยื่อล่อกระตุ้นความใคร่กระตุ้นตัณหากระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นทีนี้บางครั้งบางคราวมันก็ขู่ให้กลัว เราจะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆที่คูวให้กลัววันก่อนไปโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกกี่ปีนะห้าปีเลยตอนนี้แล้วก็บอกว่าวัดพระบลก็น้ำจะท่วมโรงพยาบาลท่านก็น้ำจะท่วม แต่ท่านเชื่อจริงกอนจังนะีฮะท่านเชื่อจริงกอจังเลยขนาดว่าไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่เว น, นี้ไปสร้างบ้านอยู่ที่เขาใหญ่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปอยู่ที่เขาใหญ่โดยเชื่อกันว่าน้ำจะท่วมมาถึงสระบุรีก็หมายความหมดและกรุงเทพทั้งกรุงเทพก็หมดไป นี่ก็คือเรื่องของความเชื่อแต่ก็คือครูให้กลัวเราจะเห็นว่าเขาได้นะฮะเขาได้ขายที่ดินซึ่งมันห่างไกลความเจริญด้วยราคาที่แพงเพราะว่าความต้องการมากที่ดินมันไม่มากในสุดที่ดินก็ขึ้นราคาก็มีการปั่นราคาลํารวยขึ้นมาน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมไม่รู้อะ เงินในท่วมตัวเขาแล้วก็รวยแล้วนั้นคือใช้ขู่ให้กลัวคือสังเกตมานานแล้วว่าสังคมเราเนี่ยมีลักษณะก า, ารขู่ให้กลัวกับยั่วยากกลัวก็จ่ายเงินนะฮะอยากก็จ่ายเงินมากกว่าบางคนที่ทําโฆษณาในเรื่องเหล่านี้ก็ได้ก็ได้ก็กลัวเขาก็ได้เงิน พวกเราฟังโฆษณากลัวขึ้นมาเขาก็ได้งอยากขึ้นมาเขาก็ได้ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มปัญหาเหล่านี้เราต้องมองในแง่ของเหตุผลว่าตีต่างว่าน้ำจะท่วมไปถึงสระบุรีนี่เรานึกดูมันผ่านมากี่จังหวัดจากกรุงเทพออกจากสมุทรปราการเลย สมุประการสมุทรสาครสมุทรสงครามแถบทะเลเอาทั้งหมดนะแล้วเข้ามากรุงเทพเข้ามาธนบุรีเข้าไปนนทบุรีเข้าไปประทุมธา น, นีเข้าไปพนมรุศรีอยุธยาเข้าไปสระบุรีและจังหวัดที่อยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของจังหวัดเหล่านี้ ก็ทำก็ตัวหมดแล้วทํำยังไงคือมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องอนาคตแต่เราก็มีความรู้ระดับอุตุนิยมวิทยาธรณีวิทยาอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่แล้วก็เป็นองค์กรระดับโลกปีเครือข่ายระดับโลกที่ก็ติดต่อประสานสรมพันธ์กัน ถ้ามีข้อมูลมากพอไว้อีกสามปีน้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่ยราชการก็ต้องทุ่ม ง, งบประมาณเข้าไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรขึ้นมากันน้ำท่วมเบบนี้เธอแล้วเนี่ยมันก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่า น้ำแข็งขั่วโลกละลายอยู่ทุกวันเดินทางได้วันหนึ่งเป็นกิโลกิโลที่เป็นภูเขาน้ำแข็งทีงลอยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยมันก็ค่อยละลายไปเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าเร่แพร่มันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกไม่ใช่ไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็ต้องแพ่กระจายไปทั่วโลกเพราะโลกมันกลม ก็อย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปอย่าอ้อนวัยกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปทำไมงานเราก็ถูกหลอกให้กลัวก็ให้อยากอ ย, ากอย่างเงี้ยกระยี่คู่ให้กลัวกัยั่วยามันก็กลายเป็นเรื่องที่เขาประสบความสำเร็จนะ บัการโฆษณาส่วนใหญ่มันก็ออกมาในสองเรื่องอย่างนี้เราก็รับฟังข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นและเราก็เชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อผลจะต้องมีการข่มใจห้ามใจหยุดคิดฉุกคิดพินิจ์พิจนารณาโดยเหตุด้วยผลพยายามติดตามศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ แล้วค่อยวินิจฉัยตัดสินไปตามสมควรแ ก, กร่กรณีประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิริยสังวรคือสำรวมด้วยความเพียรพยายามในโลกมันก็มีทั้เนี่ย หมายความว่าฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีมันมีอยู่ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายเป็นคุณกับฝ่ายเป็นโทษฝ่ายเป็นประโยชน์กับฝ่ายายไม่เป็นประโยชน์ฝ่ายเป็นเหตุทางทางเสื่อมกับฝ่ายเป็นเหตุทางทางเจริญฝ่ายไม่ดีเป็นต้นนั้นหมายความเราไม่ต้องการไม่ต้องการทํำยังไงแต่เขายังไม่เกิดเราก็ป้องกันเอไว้ โอรงการเอาไว้แม่เกิดเราก็เกิดแล้วล่ะเกิดแล้วก็ต้องพยายามขาจัดขจัดออกไปทีนี้ส่วนที่เป็นประโยชน์เป็นต้นนั้นส่วนที่ยังไม่เกิดเราก็พยายามสร้างไงมันเกิดขึ้นส่วนที่เกิดแล้วเราก็พยายามรักษาไว้ เพราะในโครงสร้างหลักที่เป็นการป้องกันเป็นการบำบัดเป็นการบำรุงเป็นการรักษาเนี่ยมันก็ต้องใช้อยู่ทุกเรื่องนะแหละแต่แสดงว่าเราก็ต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันหาข้อยุติไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ต่อไปมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ถ้าเราทำดีทำชั่วนี่เรารู้นะฮะว่าต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปจะเป็นอะไรแต่ปรากฏธรรมชาติเราไม่รู้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ก็ศึกษาได้เท่าที่ศึกษาได้ ป้องกันได้เท่าที่ป้องกันได้ขจัดได้เท่าที่ขจัดได้บำรุงได้เท่าที่บำรุงได้รักษาได้เท่าที่รักษาได้อีกระกันหนึ่งเป็นการสำรวมระวังด้วยยานก็คือความรู้หรือปัญญาความรอบรู้นั่นะหมายความมีการศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆ โดยการฟังบ้างโดยการอ่านบ้างโดยการศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องบางเรื่องบางเวลานี้ที่จริงข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆนี่เราก็มีเยอะแล้วก็ส่วนมากสื่อสารมวลชนถ้าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ค่อยเท็ดนะ แต่หมายความมาเขารายงานเท่าที่เขารู้เทียมีเท็จเนี่ยมันคือมีเราเป็นเป็นเราเป็นเขาหมายความมาถ้าเกิดเลือกฝ่ายแล้วก็ประเทศทั้งสองฝ่ายนั่นแหละหมายความมาฝ่ายกอกับฝ่ายขอเนี่ยแยกฝ่ายกันฝ่ายกอมือพูดถึงฝ่ายขอก็เกินจริง ข่ายกอข่ายขอเมื่อพูดถึงขวายกอก็อเกินจริงดีเกินจริงชั่วเกินจริงเพราะอะไรพระพูดแด้ยกคติแต่ทีนี้ถ้ารายงานธรรมชาติเนี่ยก็รายงานตามที่เขรู้มาความรู้เราก็ยิ่งหยอดไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันรายงานได้ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้าง แต่ก็สรุปว่าเป็นข้อมูลที่ฟังได้ไม่ค่อยเท็จหรอกแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับคนเนี่ยฟังหน่อยเดียวก็ดูออกนะฮะอย่ยางเวเนี้โทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีแต่รายการวิทยุามาฟังเฉพาะรายการธรรมะคือรายการอื่นไม่ค่อยได้ฟังแต่ว่าข่าวทางโทรทัศน์เนี่ย เวลาดูข่าวเราก็กดดูไปได้เลยๆางทีฟังไปห้านาทีเราก็รู้แล้วว่าเป็นฝ่ายนั้นขวัญนี้มันก็ดูง่ายเพราะว่าเป็นลีลารมที่พูดถึงความรักความฉันหรือความข่าวหรือความกลัวก็แล้วแต่แหละสรุปว่าก็อยู่แนคตินั่นแหละ ทีนี้การมีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงอย่างต่อนเนื่องเนี่เป็นเรื่องที่คล้ๆจะง่ายแต่มันยากเพราะข้อมูลที่รอบตัวเราเนี่ยมันเยอะลือเกินเราไม่มีทางที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละเรื่องได้มันก็ต้องอิงอาศัยสื่อที่ควรแก่การเชื่อถือ อย่างที่บอกว่ารายงานความแปรผันก็ธรรมชาติเขาก็รายงานตามที่เขารู้ส่วนมากจะไม่โกหกแต่ถามข้อมูลสมบูรณ์และอย่างมันไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่ามันไม่มีใครรอบรู้ไปหมดอรัรับรู้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นหลักการระดับหนึ่งที่เป็นการคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเหมือนอะไรเราเหมือนกับนกนปรปลายแดนระะนักษานครปลายแดนก็ชายแดนนะพูดง่ายว่าชายแดนชายแดนมันมันซุ่มเสี่ยงอยู่อย่างนั้นแหละทั่วโลกกันะ ประเทศแต่ละประเทศมันก็มีขอบเขตของตัวเองแล้วบางทีมันก็เหลื่อมกับประเทศอื่นเขาเรียกทับซ้อนกันเ พ, เพื่อนบ้านเขาก็ถือว่าเป็นของเขาเราก็ถือเป็นของเราเขาก็เข้ามาด้วยความรู้สึกว่าเป็นดินแดนของเขาเราเข้าไปก็ด้วยความรู้สึกเป็นดินแดนของเรามันก็เกิดกรณีพ่พาทขึ้นเดี๋ยวบางครั้งมาเขตแดนชัดเจน แต่ว่าทรัพยากรอีกด้านหนึ่งมากด้านหนึ่งน้อยบวกด้านทรัพยากรน้อยก็จะแอบเข้าไปรักขโมยในด้านทรัพยากรที่มากกว่าตลอดถึง็โมยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เกิดที่ชายแดนอยู่เลื่อยเสือเนื้อใต้ทั้งหลายก็เข้ามาจากชายแดนเปิ้ก็ต้องการ ต้องการป้องกันชายแดนทั้งภายในและภายนอกแล้วมาขณะเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังวันพยานถามตัวเองไว้เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ ทำแล้วหรื อ, อยังหรื อ, อยังไม่ได้ทําทําแล้วดีหรือไม่ดีควรจะแก้ไขปรับปรุงยังไงมีการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเราเองอยู่ดีเองแต่ตามปกติคนเราชอบตรวจคนอื่นน่ยชอบตรวจสอบคนอื่นหมายความควาสามารถวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ตลอดแต่ก็ขาดการวิจารณ์ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องแปลก คือศาสนาเราในสอนให้วิจารณตัวเองสอนในวิจารณ์ตัวเอ ง, ส, อเองส่วนสอบตัวเองส่วนสอบโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาของตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงด้วยตัวของตัวเองแต่ว่ามันมีโครงสร้างอาชีพของคนที่คุ้นชินต่อการตรวจสอบคนอื่นเช่นพวกแพทย์พวกพยาบาล พวกครูบาอาจารย์พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลาการาชการต่างๆที่มีหน้าที่สรวจสอบอะสรวจสอบคนอืน่นตรวจสอบนอกตัวแล้วนิสัยก็จะคุ้นชินต่อการจับผิดคนอืน่นตรวจสอบได้เรื่อยตำรวจมีหน้าที่สวดรถพ่อประสวดพ่อพอเรื่อย แต่จะว่ายังไงไม่รู้อาจารย์ก็ตรวจของฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มองบางทีคนก็คุ้นเคยรู้จักสนิทสนมกันพอจะไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยเขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเราจะการตั้งเกตว่าคนเหล่านี้พอเขาเปลี่ยนนะพอาก็เปลี่ยนเช่นว่าอเป็นครูเป็นอาจารย์เป็น แพทย์เป็นอะไรเนี่ยผู้สุดสอบตำรวจเนี่ยนะเวลาบวชเนี่ยมันตรวจ ส, สอบซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยากคนเราเนี่ยยากมากดูแลพระนวิ ก, กาที่เป็นข้าราชการคุ้นชินกับการตรวจสอบคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานยากมาก แต่เว น, นี้ที่น่าชื่นชมว่าทำงานง่ายขึ้นเพื่อเข้าใจสถานะเขาตัวเองแล้วก็ระเบียบวินัยต่างๆจัร ญ, ญาบันต่างๆจัร ญ, ญาแพทย์ต่างๆมันก็ใกล้เคียงกับหลักการปฏิบัติของพระนั่นแหละผลเขาไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะเข้าปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติได้ หลายปีมาเนี้ยพระนวกะที่วัดเนี่ยเรามีการสอบสนามวัดแล้วก็สอบสนามรวงแต่สอบสวรรค์สนามวัดนั้นเรามีคะแนนรวมที่จะให้รางวัลวิชาธรรมะวิชากระทูวิชาวินยัย ปรากฏว่าทำกันได้ดีทำกันได้ดีแต่สุมากคนเหล่านี้ก็จะได้คะแนนมากอันนี้คือความร่วมมยอกในทางที่ดีแต่ตามปกติแล้วจะคุ้นชินต่อการตรวจอสอบคนอื่นจนไม่ได้มองไม่ได้ตรวจอสอบตัวเองถึงเป็นเรื่องที่น่าสังเกต คนเรานั้นจะต้องตวจสอบตัวเองจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วแก้ไขที่ตัวเองทีนี้ถ้าปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยเวลาควรละความชั่วก็ไม่ละเวลาควรจะทำความดีก็ไม่ทำเวลาควรจะกำหนดรู้สภาวะความจริงตามธรรมชาติก็ไม่พยายามกำหนด ไม่พยายามทำใจให้สงบจากอารมณ์มันเป็นค่ดศึกต่อความสงบเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วคนเราจุติก็ไปสนชีเนี่ยคือเกิดตายก็เกิดเนี่ยนะตายก็เกิดตายจากชาตินี้ไปเกิดในชาติหน้านี่มันขนาดเดียวแต่นั้นเองมันแป๊บเดียวแต่นองปัญหาว่า ที่ท่านเน้นอย่างนี้เนี่ยต้องการให้คนรักษาคุณภาพจิตในมันประนีตไว้เรื่อยๆตายเมื่อไรเขาไม่รู้แต่ว่าถ้าจังหวะมันดีแล้วก็ตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วเนี่ยมันประกันอนาคตว่าจะบังเกิดในสุคติ แล้วมันไปยึดโยงกับเรื่องของกฎของกรรมหมายความว่าคนทำชั่วอยู่เยอะเลยในชีวิตปัจจุบนันนี้ใครก็เห็นว่งคนนี้ทำชั่วเยอะมากแต่ก่อนจะดับจิตในเกิดสำนึกได้จิตเป็นเ อ, อี่อุสุ ล, ลกรรมที่ท่านเคยทำมาเป็นอารมณ์ตายไปล้วจิตที่ผ่องใสปรากฏว่าผลบาปรกรรมที่ท่านทำในชาตินี้ยังต้อง สลอไว้ก่อนยังให้ผลไม่ได้พะแรงของกุศ ล, ลกรรมมาแทรกทาหน้าที่เป็นชนกกรรมแล้วบางทีถ้ามีมากติดตามมาทันก็ทาหน้าที่เป็นอุปธรรมประกรรมกรรมชั่วก็ได้ทำนำมาเบียนเบียนได้นะฮะมาเบียนได้ แล้วก ร, รมอะไรจะเข้ามาตัดกุศลเน้อกุศลเข้ามาตัดก็ไม่รู้แหละมันเป็นกระบวนการทางจิตของเขาแต่สรุปว่าวิธีการของท่านก็คือว่าพยายามอย่าให้ขณะนี้มันผ่านไปเปล่าๆอย่าแก่ไปเปล่าๆอย่าหายใจทิ้งให้ใจคว้างไปเฉยๆพราะต่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปท่านใช้คําว่า เพราะผู้ชี่ล่วงเลยขณะเวลาไปแล้วย่อมต้องแออัดยัดเยียดเศร้าโศกกันอยู่ในนรกนี่พระหานบอกนะไม่ใช่ธรรมาบอกพระอรหันต์ท่านบอกตรรมาไม่เคยเห็นนรกแต่พระหานท่านเห็นได้มาเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริง ในแวดวงของพระนี่มีเยอะนะที่ท่านมีประสบการณ์เรื่องนรกสวรรค์แต่ท่านก็เล่าใครไม่ได้แต่กับพระด้วยกันเนี่ยเขาก็เล่าเราก็ฟังตามพื้นฐานที่เราเชื่อมาแต่เราก็ไม่ได้ซักท้ายไล่เลียงอะไรเพราะว่าาำรับตำนามันก็มีบอกเอาไว้ลักษณะนรกเป็นยังไงลักษณะคนสวรรค์เป็นยังไง นี้ก็เป็นบทเทระพาสิทธิ์ที่พระเทรศกล่าวย้ำเตือนให้สติแก่พุทธบริษัททั้งหลายรุ่นหลังของท่านว่าท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนอย่างคนคุ้มครองเมืองปลายแดนทั้งภายในและภายนอกเช่นนั้นขณะเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้ที่ล่วงเลยขณะเวลาไป จะต้องเอออดยัดเยียดเศร้าโศกอยู่ในนรกเะนั้นเจ้าฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมจากมาเวตรัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมจะมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี